FM 89.5 MHz เมสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเ a l ที่ c l ับคลับของคนรักสุขภาพนะคะรายการสุขภาพที่ตื่นมาพร้อมกับคุณผู้ฟังในวันครอบครัวแบบนี้ค่ะก็คือทุกๆวันอาทิตย์เลยนะคะ4นาฬิกาถึง5นาฬิกาค่ะ1ชั่วโมงเต็มๆกับสาระความรู้ในเรื่องของสุขภาพค่ะดำเนินรายการค่ะดิฉันธีรวดียิ่งมีค่ะดิฉันนันาลีสุข ด, ดีค่ะค่ะก็ช่วงนี้เป็นช่วงของ เขาเรียกอะไรอ่ะเกือบเกบจะปลายกันยาแล้วนะคะพี่แมวใช่แล้วค่ะก็สำหรับคนเกษียณอายุนะจะบอกว่าเริ่มท้าทาหลางกันแล้วนะคะใจหายเหมือนกันนะคะบา<อ> ง, งคน<บ><บ>ทำงานมา30ปีใช่อพอพอนึกถึงที่ อ่ะตาละวันที่27นี้ถือว่าวันที่30นะคะถือว่าเป็นวันสุดท้ายของอายุราชการหรือไม่ก็อาจจะเป็นน ง, งานอื่นกรชนต่างๆนะคะที่มีอายุ60ปีแล้วอาจจะต้องเกษียณอายุราชการไปหรือว่าเกษียณงานไปเนี่ยก็คงนึกใจหายเนาะถึงกับระยะเวลาตลอดเวลาที่ผ่านมาแต่ว่าบางคนก็อาจจะเริ่มต้นที่ในเรื่องของสิ่งดีๆอาจจะไม่เคยได้พักผ่อนอย่างเต็มที่มาก่อนแ่ะแอยากจะไปท่องเที่ยวที่ไหนหรือว่าอยากจะไปเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมหรืออยากจะทําอะไรที่ทําให้ตัวเองมีความสุขเรื่องของสุขภาพก็อาจจะได้ทำกัน ตอนนี้แหละนะค ะ, คะถึงแม้ว่าใครที่ยังไม่ได้เกษียณอายุราชการหรือเกษียณงานเนาะก็ขอให้มีกําลังใจทํางานกันต่อไปแล้วกันค่ะบางคนนี้ถึงคนที่เกษียณราชการหรือเกษียณอายุไปเมื่อครบ60ปีแล้วบางคนก็ยังมีไฟไฟแรงอยู่นะบางทีก็คือคยังอยากจะทํางานต่อยังมีหัวสมองยังมีความคิดที่ดีๆบางทีก็อาจจะเข้ามาช่วยกันได้มาช่วยสปอร์ตกันได้ก็ถือว่าบางทีก็เป็นกําลังใจให้กับคนล่ก รุ่นหลังๆแต่ต่อไปว่าให้มีกําลังใจในการทํางานมีแนวทางในการทํางานที่ดีแนวทางการดําเนินชีวิตที่ดีได้ค่ ะ, คะพอเกษียณอายุอาจจะต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของความคิดบ้างนะคะมันอาจจะต้องปล่อยวางบ้างเราอาจจะมีตําแหน่งหน้าที่การงานซึ่งมันใหญ่โตเราอาจจะมีหัวโขนแต่ว่าพอที่เรากรเกษียณอายุปุ๊บเราก็คือคนคนนึงอาจจะเป็นคนแก่คนหนึ่งนะคะคือจากที่ไปไหนมาไหนอาจจะมีคนรับหน้าถือตายก้มมือไห้ถ้าเขาเฉยหรือว่าเปลี่ยนไปบ้างเราก็ควรที่จะปล่อยวางเหมือนกันนะคะใช้ชีวิตถ้า ปล่อยวางมากขึ้นใช้ชีวิตให้มันสบายขึ้นทำอะไรก็ให้มันช้าลงนะคะอย่างที่ <ạ. S 1> พี่แมวบอกนะคะบางทีเราก็ เราต้องปรับเปลี่ยนชีวิตเหมือนกันนะคะหลังวัยเกษียณจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะค่ ะ, ะสำหรับช่วงแรกของเรานะคะก็ยังมีในเรื่องของข่าวสารและกิจกรรมสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะค่ะเริ่มต้นที่ที่ฉันเป็นของโรงพยาบาลวิภาวดีค่ะเขาจัดการอบรมพยาบาลเบื้องต้นและกู้ชีพพื้นฐานสาหรับประชาชนทั่วไปนะคะปีนี้เป็นปีที่ย3บาแล้วนะคะเขาก็เปิดโ อ, อกาสให้หน่วยงานและ คนทั่วไปที่สนใจนี่แหละเข้าร่วมอบรม CPR ค่ะก็คือกูชี่พื้นฐานส่วนใหญ่คอร์สของเขาก็จะเป็นคอร์สในเรื่องของการปฏิบัตินะคะเขาก็อบรมตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะแล้วก็ รุ่นต่อไปค่ะจะเป็นรุ่นที่8นะคะก็จะมีขึ้นในวันอังคารที่8ตุลาคมนี้นะคะ2562นะคะถ้าคุณผู้ฟังสนใจเนี่ยลองโทรไปสอบถามข้อมูลได้นะคะที่เบอร์ 02-561-1111 นะคะศูนย1 1 1 1ห้าหสำหรับหน่วยงานเอกชนหรือว่ารับวิสาหกิจเนี่ย ก็อาจจะส่งตัวแทนมาอบรมนะคะพอมีความเชี่ยวชาญแล้วนะคะก็อาจจะไปถ่ายทอดให้กับหน่วยงานนะคะซึ่งบางทีเราก so ็ไม so e so ่รู้หรอกว่าชีวิตเราอาจจะไปไปเจอใครก็ได้ที่ประสบอุัติเหตุแล้วเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยชีวิตเขาได้มันก็คงรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจนะคะพี่แมวก็บางทีเนี่ยการที่เราเรียนรู้มาบางทีมันก็จะไม่เสียดายนะบางคนบอกว่าอุ้ยจะศึกษาไปทําไมจะเรียนรู้ไปทําไมเพราะว่าเราคงไม่ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือว่าเราคงไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้แต่ว่า ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ค่ะคุณนุฟังมันสามารถเกิดกับเราได้ทุกที่ทุกเวลานะคะการที่ไม่ประมาทนี่แหละดีที่สุดแล้วก็อย่างอย่างเช่นการเรียน CPR เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปช่วยอาจจะไม่ได้สังคมข้างนอกแต่ว่าบางทีคนในบ้านของเรานี่แหละค่ะเกิดอาการเล้มล้มป่วยโดยถุก อ่าฉุกเฉินแบบนี้นะคะก็อาจจะสามารถช่วยกันได้นะค ะ, คะเรียนรู้ไว้ค่ะอ่าเป็นถือว่าเป็นอะไรที่ติดตัวนะมันสามารถที่จะไปช่วยชีวิตคนอื่นได้เอาละค่ะมาถึงดิฉันบ้านนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่นํามาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะก็จะมีขึ้นกิจกรรมนี้จะมีขึ้นในวันที่28กันยายนนะคะที่โรงพยาบาลเปาโลกเกษตรค่ะกิจกรรมของวันนี้นะคะก็จะมีการจะมีคุณหมอมาให้ความรู้โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของให เรามาสังเกตค่ะ ว, ว่าอาการโรคซึมเศร้าเนี่ยก่อนที่จะเกิด โรคเนี้ยเราจะมีวิธีการสรังเกตอาการได้อย่างไรบ้างนะคะรวมถึงเทคนิคการดูแลสมองให้ห่างไกลาจากโรคสมองเสื่อมหรือโรคอัลไซเมอร์สําหรับใครที่ปวดหลังค่ะก็สามารถที่จะเข้าอบรมหรือเข้าฟังการเสวนาสาระดีๆแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของน้ําตาลตอนนี้นี่เกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานะนะคะก็มีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราไปเรียนรู้เทคนิคการกินน้ําตาลเพื่อป้องกันโรคเบาหวานโรคอ้วนรวมถึงโรคไขมันในเส้นเลือดด้วยนะคะหรือว่าการดูแลสุขภาพอย่างง่ายๆมีเทคนิคดูแลสุ ภาพอย่างไรบ้างนะคะโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะจะมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรนะคะให้ห่างไกลโรคนี้หรือใครที่ตอนนี้นี้กำลังแบบ ไม่ว่าลูกเล็กเด็กแดงก็เป็นหมดนั่นก็คือโรคติดจอนะคะซึ่งก็เป็นทุกเพศทุกวัยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าเทคนิคดูแลดวงตาเพื่อเยาวยาอาการโรคติดจ อ, อนี่เป็นอย่างไรนะคะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ค่ะคุณฟังตั้งแต่เวลา9นาฬิก30นาทีเป็นต้นไปนะคะที่โรงพยาบาลเปาโรเกษตรค่ะ<ข>สำหรับกิจกรรมนี้ฟรีตลอดงานเลยค่ะอสอบถามและเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะคุณฟังที่0242299999แล้วก็ต่อ4123ค่ะ ก็เป็นกิจกรรมดีๆค่ะในเรื่องของข่าวสารสุขภาพต่างๆเอามาฝากคุณผู้ฟังนะคะซึ่งปกติเราก็จะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังเรากลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการกันต่อค่ะสักครู่ค่ะเฮลที่กลับกลับของคนรักสุขภาพสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม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 สอบถามเพิ่มเติมที่02 549 3653 She will. ช่วง Health Trip สนับสนุนโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพโดยบุรณาการองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยกับวิทยาศาสตร์สุขภาพกลับมาพบกับช่วงที่สองของรายการเ He ลทริปค l ับคลับของคนรักสุขภาพนะคะ ช่วงนี้จะเป็นช่วงของ health trip ค่ะทริปสุขภาพค่ะมีมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเริ่มต้นทริปแรกค่ะพี่แมวเป็นเรื่องของเคล็ด <c oughs> ไม่รับฟิตร่างกายแบบไหนเพื่อให้ปั่นจักรยานได้ดีขึ้นสำหรับคนที่ชอบปั่นจักรยานพี่แมวปัน่นไหมคะจักรยานไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะ <laughs> เดินไหมคะเดินค่ะเดินเดิ น, ดนออกอกําลังกาย<ช>อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่สําหรับคนที่ชอบปั่นจักรยานเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เล้ ว, ว่าเป็นหนึ่งในกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทุกเพศทุกวัยเลยนะคะข้อดีอย่างหนึ่งของการปั่นจักรยานก็คือนักปั่นสามารถเลือกระดับการออกกําลังกายได้ด้วยตัวเองคะ่ะคืออาจจะเป็นปั่นพักผ่อนแบบสบายๆในสวนสาธารณะปั่นท่องเที่ยวระยะไกลเพืชมธรรมชาติหรือแม้แต่ปั่นเพื่อแข่งขันแบบมืออาชีพ แบบจริงจังค่ะแน่นอนค่ะนักปั่นที่จริงจังย่อมมีการฟิตร่างกายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปั่นจักรยานให้สามารถปั่นได้เร็วแล้วก็ยาวนานกว่าปกติค่ะแต่ว่าจะทราบหรือเปล่าคะว่าการออกกําลังกายเสริมออกกําลังกายเสริมเนี่ยยังให้ประโยชน์มากมายด้วยแม้แต่ผู้ที่ปั่นจักรยานเพื่อการพักผ่อนก็ตามเราก็เลยมีเคล็ดลับในการออกกําลังกายง่ายๆเพื่อเสริมการปั่นจักรยานของเราให้ดีขึ้นมาเล่าให้มาเล่าให้ฟังกันนะคะ ส ITT ิ่งที่จะเสริมกีฬานั้นก็คือวิ่งวิ่งเอ๊วิ่งกับปั่นจักรยานเกี่ยวกันยังไงนะคะคือเพราะเหตุใดการวิ่งจึงช่วยเสริมการปั่นได้ง่ายๆเลยค่ะก็คือเพราะว่าการปั่นจักรยานเนี่ยและการวิ่งถือเป็นประเภทเอนดูรันนะคะก็คือฝึกฝนความทนทานของกล้ามเนื้อเหมือนกันดังนั้นหากเราฝึกฝนการวิ่งอย่างเหมาะสมก็ส่งผลดีต่อการปั่นจักรยานของเราได้มากทีเดียวค่ะเขาก็มีจัดกิจกรรมด้วยนะคะนอกจากเป็นเคล็ดลับเนี่ยเขาก็จัดงานการแข่งขันจักรยานนานาชาติ แบงบ์งบา ง, บงกอกนะคะบางกอกแบงก์ไซเคิล a ฟสสองศนกนะคะก็ได้สรุปประโยชน์ของการวิ่งที่มีต่อการปั่นจกักรยานให้เข้าใจง่ายนะคะประโยชน์ข้อแรกก็คือ เพิประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดนะคะก็คือการช่วยปรับปรุงระบบไหลเวียนของเลือดเรานะคะโดยเฉพาะการวิ่งช้าๆไม่เร็วมากเพราะว่าการวิ่งในโซนสองเนี่ยจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้ดีเมื่อมีออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อมากขึ้นเราก็จะปั่นจักรยานได้เร็วแล้วก็นานขึ้นประโยชน์ข้อที่2ค่ะเสริมสร้างกล้ามเนื้อนอกจากการไหลเวียนของเลือดและความแข็งแรง ข, ของกล้ามเนื้อที่สําคัญแล้วการวิ่งจะช่วยให้กล้ามเนื้อมัดเนี่ย ซึะะ่งมีทั้งหมด3ส่ว น, เ, นเป็นกล้ามเนื้อหลักที่ช่วยในการปั่นจักรยานได้นะคะมันจะมีช่วยให้กล้ามเนื้อทั้ง3ตัวนะคะซึ่งเป็นกล้ามเนื้อหลักในการปั่นจักรยานการวิ่งช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดที่จําเป็นและทําให้การปั่นจักรยานมีประสิทธิภาพด้วยนะคะประโยคข้อที่3ก็คือ การวิ่งช่วยทำให้กระดูกแข็งแรงค่ะการวิ่งเป็นกีฬาที่ทำให้แรงกระแทกที่เข่าข้อเท้าและข้อต่อต่อตางๆซึ่งแรงกระแทกในระดับที่มันพอดีจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของข้อต่อและกระดูกได้นะคะเขามีรายงานยืนยันค่ะว่านักวิ่ง มีความหนาแน่งของมวลกระดูกมากกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายเลยนะคะการวิ่งทำให้เราสุขภาพกระดูกแข็งแรงแล้วก็ช่วยลดการบาดเจ็บในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการปัน่นเช่นการล้มหรือการกระแทกในรูปแบบต่างๆนะคะสุดท้ายการวิ่งเนี่ยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปั่นจักรยานของเราในทางอ้อมก็คือการวิ่งสามารถผ่อนคลายความเครียดจากการซ้อม ปั่นจักรยานจริงๆได้นะคะคือการซ้อมที่จริงจังหรือทํากิจกรรมเดิมๆทุกวันเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดความเครียดสะสมสลับการเล่นกีฬาบ้างค่ะก็คือสลับมาวิ่งว่างก็จะช่วยให้ใคลายเครียดนะคะในเวลาที่เราไม่ได้ซ้อมปั่นจักรยานเนี่ยการวิ่งก็ช่วยให้เรารักษาความฟิตของร่างกายได้ต่อเนื่องนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะคะเสริมการปั่นจักรยานแบบง่ายๆที่ช่วยให้เพื่อนนักปั่นสามารถนําไปใช้ฟิตซ้อมร่างกายนะคะ ก็เอามาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเคล็ดไม่รับฟิตร่างกายแบบไหนเพื่อให้ปั่นดีขึ้นก็คือวิ่งนี่เองค่ะพี่แมวบางคนก็ชอบนะคะการวิ่งเนี่ยถือว่าเป็นการลงทุนที่น้อยนะคะแล้วก็สามารถที่จะ ไปวิ่งที่ไหนก็ได้หรือว่าสามารถที่จะใช้สถานที่ตรงไหนก็ได้เป็นสวนสาธารณะก็ได้หรือว่ารอบหมู่บ้านก็ได้หรือว่าอาจจะวิ่งบนลูวิ่งก็ได้ะนะคะก็ได้หลายสถานที่แต่ว่าก็ต้องดูในเรื่องของกิจกรรมด้วยนะคะแล้วก็สถานที่ด้วยว่ามันเหมาะสมกับเรามากน้อยแค่ไหนนะคะเอาละค่ะของน้องทีก็คือเกี่ยวกับเรื่องวิ่งใช่ไหมค ะ, คะของพี่วันนี้ก็ขอมีในเรื่องของเทคนิคการเดินเพื่อเสริมกระดูกให้แข็งแรงค่ะคุณนุฟัง ถ้าเกิดพูดถึงความแข็งแรงของกระดูกเนี่ยมีหลากหลายวิธีที่เราจะเพิ่มความแข็งแรงให้กับกระดูกนะคะ การเดินค่ะคุณผู้ฟังก็ถือเป็นการเสริมแรงกระดูกอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้กระดูกของเราเนะี่ยมีความแข็งแกร่ ง, รงมีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะการเดินเนี่ยสามารถเสริมความหนาแนงของของมวลกระดูกได้นะคะโดยมีผลงานวิจัยรองรับด้วยค่ะคุณผู้ฟังว่าจํำหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษนะคะเพราะว่าการเดินเป็นประจำเนี่ยจะมีกระดูกแข็งแรงกว่าคนที่เดินน้อยแล้วก็จะมีเทคนิควิธีนะคะว่าเราจะเดินยังไงใ ห, ให้ได้คุณภาพในการเดินอย่างดีที่สุดนะคะง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ฟังอย่างแรก ก็คือการเดินควรเดินให้ได้ในระยะ ในระยะทางวัน ล, ละประมาณ 2.5 ถึง 3.5 กิโลเมตรหรือถ้าเกิดบางคนแบบอุ้ยไม่รู้กัล ร, ระยะเวลามไม่ถูกเดี๋ยวนี้นี่ด้วย ว, วิวัฒนาการในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นทางเครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์มือถือหรือเป็นนาฬิกาก็แล้วแต่นะคะสามารถจับระยะเวลาก้าวการเดินได้เพราะฉะนั้นการเดินในแต่ละครั้งเนี่ยระยะเวลาก็คืออยู่ที่ประมาณ 2.5 ถึง 3.5 กิโลเมตรหรือการนับก้าวก็คืออยู่ที่ประมาณ19ึ่งนะคะบางทีอาจจะดูโอ้โหตั้ง1นึ่งหน้ฉันจะเดิน แล้ววันหนึ่งอะแต่ว่าในฉันเคย พี่เคยจับมาแล้วนะคะน้องทีถ้าวันไหนต้องมีกิจกรรมข้างนอกหรือมีกิจกรรมของที่ทํางานเนี่ยเคยจับนับเวลาดูนะพี่เดินอะ่ะวันหนึ่งอะ่ะวันนั้นถ้ามีกิจกรรมที่ต้องเดินพี่เดินประมาณหกถึงเจ็พเพราะฉะนั้นถ้าเป็น1 9, นึ่งม่นเานี่ยไม่งะ ไ, ไม่ยากเลยค่ะคุณนุฟังเป็นเรื่องง่ายๆนะคะที่สามารถทําได้นะคะโดยให้เริ่มฝึกไปเรื่อยๆค่ะคุณนุฟังก็สามารถที่จะเดินได้ถึง1นึ่งหรืออาจจะเดินได้มากกว่า1นึ่งก็ได้แต่ว่าในช่วงแรกๆนี่ก็คือให้แบบค่อยๆไปก่อนนะคะอาจจะส สองพั 2000, นะคะอย่างที่2ค่ะถ้าเกิดเรามีความรู้สึกว่าการนับก้าเนี่ยมีความยุ่งยากจังเลยนะคะให้ให้ลองใช้วิธีง่ายๆค่ะก็คือให้เดินให้ได้อย่างน้อยวันละประมาณ30นาทีค่ ะ, อ, ะอันนี้ก็คือไม่จับกิโลไม่จับเก้าแต่เราใช้ระยะเวลาในการมาจับก็คืออย่างน้อยประมาณวันละ30นาทีนะคะหรือว่าใน1สัปดาห์นี่รวมกันแล้วประมาณ 150นาทีโดยทําครั้งเดียวหรือแบ่งทําเป็นประมาณสัก2อถึงสครั้งในแต่ละวันก็ได้ก็คือใน1วันเนี่ยอาจจะไม่วิ่ง30อาจจะไม่เดินถึง30นาทีอาจจะประมาณ15นาที10นาทีแต่ว่าให้อยู่ในระยะเวลาประมาณ30นาทีต่อ1วันก็ได้อาจจะเป็นตอนเช้าตื่นนอนมานะคะอาจจะสักอ่ะสินาทีตอนเย็นหลังจากเลิกงานมาแล้วทาําภารกิจส่วนตัวอะไรแล้วเรียบร้อยนะคะดูลูกดูหลานแล้วเรียบร้อยอ่ะขออีกสักสินาทีแล้วกันก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ หรือเมื่อรู้สึกว่าเหนื่อยหรือหอบในในระดับที่พูดเป็นคํำๆแล้วเหมือนกับเราหอบอ่ะแล้วเราขาดเป็นช่วงๆก็อาจจะต้องชลอฝีเท้าให้ลดลงนะคะหรือถ้าเกิดมีความรู้สึกว่าเหนื่อยมากหอบมากเนี่ยก็ต้องหาที่พักละอันนี้นะคะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะบางคนเดิน5นาทีก็เหนื่อยแล้วบางคนอ่ะฉันยังได้อยู่15นาทีฉันก็เดินไหวอยู่นะแต่ว่าบางทีเนี่ยก็ต้องดูนาฬิกาจับจับในเรื่องของการเต้นของหัวใจด้วยชิประจรความด<า>ันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็ควรเริ่มสัปดาหล์ละสาวันก็คือในเรื่องของการเดินนี่แหละคะ่ะอาจจะเริ่มจากวันเว้นวันก็ได้หรือว่าสองวันออกสักหนึ่งวันก็ได้นะคะเอาสัก ป, ประมาณใน1สัปดาห์7วันนี่แหละคะ่ะคุณผู้ฟังก็ให้ออกได้สัก ป, ประมาณ3วัน หลังจากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มเป็นสัปดาห์ละ5 6ถึงวันนะคะก็ถ้าเกิดมีความกล้ามเนื้อมีความคุ้นเคยมากขึ้นร่างกายมีความแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะเพิ่มจากสัปดาห์ละ3วันเป็นสัปดาห์ละ 5-6 ถึงวันก็ได้ก็จะทำให้คุณผู้ฟังในรู้สึกว่าเห็นผลมากขึ้นแล้วก็จะทำให้มีความรู้สึกว่ากระดูก ข, ของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นบางคนนี่ เป็นไหมคะคุณผู้ฟังพอลุกขึ้นมาในแบบโอ้โหกระดูกร้านกรอบแกรบกรบแทบไปหมดเลยนะคะก็ลองวิธีนี้ดูค่ะเป็นเทคนิคง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังก็คือการเดินเพื่อเสริมให้กระดูกแข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นวิธีต่างๆที่เอามาแนะนําแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันได้มันก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของร่างกายสุขภาพร่างกายเราด้วยนะก็อาจจะเป็นแนวทางนะคะว่าใครที่ไม่เคยคิดว่าการเดินจะมีประโยชน์หรือเปล่านะคะ การเดินมีประโยชน์ต่อร่างกายของคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญที่ดิฉันนามาฝากก็คือเป็นการเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงด้วยเพราะฉะนั้นใครที่วิ่งก็ไม่ไหวน ะ, ะออกกำลังกายแรงๆ ก, ก็ไม่ไหวนะการวิ่งการกระแทกได้ใช่ไหมคะข้ อ, เ, อเขา่าใช่ค่ะได้<ม>ได้ก็คือบางคนเนี่ยการวิ่งเนี่ยอาจจะทำให้รู้สึกว่าข้อเข่าไม่ดีหรือว่าข้อเท้าไม่ดีเพราะฉะนั้นการเดิน เดินช้าๆเดินไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะบางทีก็ทําให้ร่างกายมีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็บางทีเป็นการเสริมสร้างกระดูกที้แข็งแรงแล้วก็บางคนนี้ด้วยน้ําหนักบางคนก็คุณหมอก็ห้ามวิง่งบางคนก็โอยเดินมากก็ไม่ได้ปวดขา <c oughs> ก็อาจจะใช้วิ่งมากไม่ได้ปวดขา้า <c oughs> อา จ, จใช้การเดินนี่แหละค่ะก็สามารถรบางทีเขาก็เดินเร็วเขาบอกว่ามันได้ผลนะฮะได้ค่ะได้อาจจะบางคนอาจจะห้เดินเป็นดูวิ่งก็ได้หรือว่าเดินในที่ที่สวนสาธารณะบางคนก็จะแบบเดินในพื้นหญ้านะคะก็นอกที่นอกจากว่าจะทําให้ การได้แข็งแรงแล้วเนี่ยบางทีได้สุรอากาศที่บริสุทธิ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังการเดินนี่แหละถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดแล้วก็ที่สําคัญคือที่นํามาฝากในวันนี้คือจะทําให้เสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงมากขึ้นวันนี้ เคล็ดลับของเรานะคะเป็นเรื่องของดิฉันบอกว่าถ้าปั่นจักรยานเนี่ยอยากให้วิ่งนะคะเพราะว่าเป็นการรักษากล้ามเนื้อเหมือนกันะนะคะส่วนพี่แมวมาพูดเรื่องของการเดินเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเดินวิ่งแล้วก็ปั่นจักรยานนะคะเป็น3อย่างที่ดูแลกล้ามเนื้อนะค ะ, คะถนัดแบบไหนสะดวกแบบไหนก็ทะะําค่ะเพราะว่ายัางไงมันก็ช่วยในเรื่องของการออกกําลังกายเนาะพี่แมวเนาะใช่แล้วค่ะก็ขึ้นอยู่กับน้ําหนัก อายุแล้วก็ด้วยสตรีะระร่างตัวใช่ค่ะลูประจําตัวสรีระร่างกายด้วยนะคะก็เลือกเอาค่ะอย่างที่น้องทีบอกคือจะปั่นจักรยานก็ได้จะวิ่งก็ได้หรือจะเดินก็ได้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำให้ร่างกายแข็งแรงทั้งนั้นละค่ะค่ะก็เอามาฝากกันค่ะเป็นทริปดีๆจากเราทั้ง2คนนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเรากลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการกันนะคะสักครู่ค่ะเฮลที่กลับกลับของคนรักสุขภาพ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 Hold <laughs> on.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 เอาว่าเขาปลื่มเธอเลยหักอกฉันความหวานเมื่อตอนแรกเจอจบลมด้วยมือของเธอเพียงเธอเจอของเล่นอันใหม่เธอบอกให้ฉันยอมรับความจริงที่เจอให้ฉันเลิกคิดถึงเธอ หยุดทําเธอและพอแค่นั้นโอ้ใจดวงน้อยเธอเขี้ยวแค่เพียงไม่นานกาบใจสิ้นอยู่รดน้ำตาหมดความหวานกลายเป็นสาคอย เธอเจอของเล่นอันใหม่เธอบอกให้ฉันยอมรับความจริงที่เจอให้ฉันเลิกคิดถึงเธอหยุดแกลเธอและบอกแค่นั้นโอ้ใจดวงน้อยเธอเขี้ยวแค่เพียงไม่นาดกลับใจสิ้งรถน้ำตา ความหวานกลายเป็นแซกอ้อยโอ้ใจดวง่้อยเธอเขี้ยวแค่เพียงไหมนั้นกับใจสิ้นรดน้ำตาหมดความหวานกลายเป็นแซกอ้อย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 กลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการเท a l t h ที่ขรับขับของคนรักสุขภาพกันนะคะก็ยังอยู่กับดิฉันนะคะคุณธีรวดีแล้วก็คุณนัทนรีคะ่ะพี่แมวนะคะก็ยังอยู่กับคุณผู้ฟัง Health t ท l k ในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการอดนอนพี่แมวมบางคนนอนไม่หลับอดนอนเพลียถือว่าเป็นเรื่องปกติ คิดว่าชีวิตฉันก็เป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะอยากให้ฟังเฮลท็อกของเราสองคนในวันนี้นะคะเพราะมันมีโรคที่เสี่ยงเพราะแค่อดนอนนะคะก็คือแค่นอนไม่พอเนี่ยมีโรคต่างๆนะคะซึ่งอันตรายด้วยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยนอนดึกตื่นสายเนี่ยระวังโรคร้ายจะถามหานะคะคุณผู้ฟังอดนอนบ่อยๆไม่ไดีต่อสุขภาพเนี่ยมากไปกว่านั้นคือการอดนอนเพียงคืนเดียวก็ทําให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆได้คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเป็นวินัยประจําวันที่ทํา เพื่อรักษาสุขภาพของเราให้ดีนะคะแต่ก็เข้าใจละค่ะบางคนงานแทบตัวหาเวลานอนไม่ค่อยได้เลยอดนอนบ้างนอนไม่พอบ้างอยู่บ่อย ซึ่งถ้ายังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยแล้วก็ไม่ให้ความสําคัญกับการนอนหลับพักผ่อนเนี่ยเสี่ยงที่จะเป็นโรคนะคะโรคอะไรบ้างลองฟังดูโรคแรกคือโรคหวัดนอนไม่พอมีผลทําให้ร่างกายเป็นหวัดบ่อยกว่าปกติค่ะเพราะร่างกายจะมีภูมิต้านทานโรคต่ําลงนะคะและจากผลการวิจัยส่วนใหญ่ก็เผยว่าคนที่อดนอนน้อยกว่าเจ็ชั่วโมงต่อคืนเนี่ยมีโอกาสป่วยมากกว่าคนที่นอนเกินแปชั่วโมงต่อคืนนะคะมีโอกาสน้อยกว่าถึง3เท่านะคะ ก็คือคนที่นอนแปชั่วโมงต่อคืนมีโอกาสป่วยน้อยกว่าคนที่นอนน้อยกว่าเจ็ดชั่วโมงนะคะป่วยเป็นหวัดนี่แหละแล้วคนที่ใช้เวลานานกว่าก็คือหลับมีโอกาสมีโอกาสป่วยได้ง่ายกว่าคนที่หัวถึงหมอนแล้วหลับเลยถึงห้าจุดห้าเท่านะคะเออก็คือถ้านอนเท่าไหร่ก็ยังไม่หลับป่วยได้ง่ายกว่าคนที่นอนหลับแล้วหัวถึงหมอนเลยนะคะบางทีมันก็เป็นอะไรซึ่ง คนที่เขาเครียดยังไงเขาก็นอนไม่หลับพี่แมวบางคนหัวถึงมัปุ๊บก็หลับใช่ค่ะคือบางคนเนี้ยอาจจะเป็นล้มที่นอนหลับยากก็คือแบบอาจจะไม่มีเรื่องเครียดไม่มีอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเขาหลับยากอ่ะอาจจะด้วย การใช้ชีวิตอาหารการกินหรืออะไรก็แล้วแต่ความคิดอะไรก็แล้วแต่นะค ะ, คะอาจจะเป็นคนเครียดเมื่อกี้โรคหวัดก็คือคนที่นอนน้อยจะเสี่ยงเป็นมากกว่าคนปกติต่อไปโรคทางสายตาค่ะเพราะว่าการนอนไม่พอจะทําให้สายตาพล่ามัวมองเห็นไม่ชัดหากนอนไม่พอติดต่อกันเป็นเวลาหลายคืนอาจจะเห็นภาพรลอนได้นะคะซึ่งมีงานวิจัยบอกว่ า, วาตาของคนเราเนี่ยควรได้รับการพักผ่อนในตอนกลางคืนอย่างน้อย5้าชั่วโมงมเพื่อเป็นการฟื้นฟูเซลล์ที่สึกหรอในระหว่างการใช้งานในแต่ละวันค่ะถ้านอนน้อยกว่านั้นก็อาจจะเกิดกล้ามเนื้อตากระตุ ตาเห็นนะคะหลายๆคนก็คิดว่าเป็นโชคลางแต่จริงจริงคือนอนน้อยนี่เองนะค ะ, คะอาการกล้ามเนื้อตากระตุกเนี่ยหนังตาคมเห็นมองเห็นเป็นภาพซ้อนเบลอมีผ้ามัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตาผ้าพลาเนี่ยก็มาจากเซลล์กล้ามเนื้อบริเวณดวงตาไม่ได้รับการซ่อมแซมตัวเองอย่างสมบูรณ์ก็คือนอนน้อยนั่นเองนอกจากหวัดโรคทางสายตาแล้วโรคทางเบาหวานด้วยแค่อดนอนเนี่ยเพียงแค่คืนเดียวคืนเดียวเลยนะคะ เกี่ยงต่อคนที่เป็นโรคเบาหวานค่ะซึ่งมีงานวิจัยนะคะจาก a n งเจอรินะคะจากรอดแองเจอริเนี่ยเขาได้ทดลองกับสุนัขและพบว่าสุนัข ก, กลุ่มที่อดนอนหนึ่งคืนมีภาะวะดื้ออินซูลินอยู่ที่3าเปค่ะในขณะซึ่งสุนัข ก, กลุ่มที่อาจจะถูก ข, นขุนจนอ้วนมีภาะวะดื้ออินซูลินอยู่แค่ยีนตะคะตัวเลขใกล้เคียงกันมากนะคะซึ่งนักวิจัยวิเคราะห์ว่าการอดนอนส่งผลต่อระดับน้ําตาลในเลือดไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายค่ะร่างกายจึงเร่งผลิตอินซูลินเพื่อคงระดับนน้้ําาตตลใหเปปก็กิ จนอาจจะทำให้ฮอร์โมนอินซูลินไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้นำไปสู่ความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งอีกหนึ่งโรคค่ะพี่แมว<ฆ>อันนี้เราอาจจะเคยได้ยินก็คือโรคอ้วน ะะคือในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเผยว่าการอดนอนนําไปสู่โรคอ้วนได้ง่ายๆเลยเนื่องจากร่างกายไม่ได้รับการพักผ่อนเพียงพอมีระดับน้ําตาลในเลือดน้อยจนกระตุ้นให้รู้สึกอยากอาหารลดหวานมากกว่าปกติอีกทั้งระบบเผาผลาญของคนที่นอนไม่พอยังเกิดอาการขี้เกียจทํางานทําให้น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นซึ่งพออ้วนก็นํามาสู่โรคหัวใจโรคความดันและโรคเรือดหลังอื่นๆค่ะอีกหนึ่งโรคค่ะอดนอนแล้วเสี่ยงเป็นโรคหัวใจนะคะคือนักวิจัยเขาทําการทดลองกับกลุ่มอาสาสมัครที่ไม่ได้นอนเลยเป็นเวลา 88ดชั่วโมง8ปดิบดชั่วโมงนี่ก็เกือบสี่วันนะคะพี่แมวใช่ค่ะนะคะเกือบสี่วัน พวกเขามีระดับความดันเลือดสูงและเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกลุ่มอาสาสมัครนอนสชั่วโมงใน1คืนปรากฏ ว, ว่าอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ในระดับปกตินะคะค่าเฉลี่ยการเต้นหัวใจใกล้เคียงกับคนนอนได้ปกติสิ่งที่มีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจก็คือสารโปรตีนที่สะสมมากในขณะที่เราตื่นและถูกขับออกจากร่างกายโดยธรรมชาติเมื่อเราหลับดังนั้น ใ, นใครที่อดนอนหรือนอนน้อยเป็นเวลานานก็เลเสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้ค่ะพี่แมวค่ะก็ถือว่าหลายโรคเลยทีเดียวนะคะที่ ยังไม่หมดนะยังยมีกี่โรค น, นอน ừ, ใช่ค่ะยังมีกายโรคเช่นเดียวกันค่ะน้องทีโรคต่อไปก็คือโรคหลอดเลือดสมองตีบค่ะคุณฟังจากจากสถิติทางคุณหมอนะคะเพราะว่าผู้ที่นอนไม่พอหรือว่าอดนอนไบ่อยๆ อ, ย อ, ยอย่ะค่ะจะมี ภาวะแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการปวดศรีรษะนะคะความจําไม่ดีนะคะแล้วก็เมื่อเอ็กซเรย์สมองนี่จะพบว่ามีภาวะหลอดเลื่นสมองตีบซึ่งหากผู้ปว่วยรับการพักผ่อนที่เพียงพอแล้วเนี่ยเส้นสมองที่ตีบก็จะมีอาการที่ดีขึ้นส่วนสาเหตุที่อดนอนทําให้เส้นเลือดในสมองตีบนั้นน่ะต้องมีการศึกษาแล้วก็บางคนมีความรู้สึกว่าคือในสมัยนี้โรคสมองตีบมันมีมากขึ้นก็าอาจจะเกิดจากสาเหตุ ง, ง่ายๆนี่แหละค่ะก็คือการนอนหลับพักผ่อนในเพียงพ อ, อนั่นเองนะคะ โรคต่อไปค่ะน้องทีเกี่ยวกับการพักผ่อนนอนหลับเช่นเดียวกันก็คือโรคอัลไซเมอร์นะคะหลงหลงลืมๆมอันนี้เรารู้เลยนะว่าเราเบลอสมมติเรานอนน้อยอันนี้สังเกตได้จากตัวเราเองด้วยนะใช่ถ้าเกิดว่าคือไหนนอนดึกตื่นเช้าวันนั้นสมองมันจะมึนลงจะเบลอจริงจริงอ่ะน้องทีก็คือจากการศึกษาของสาธารณสุขศาสตรนะคะเขาก็มีการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังว่า การที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอจะส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงทําให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้นะคะโดยได้ทําการศึกษาถึงความเกี่ยวข้องกัน ร, ระหว่างการนอนหลับแล้วก็ตัวปุ๋งชี้ทางชีวาภาพของโรคอัลไซเมอร์ในผู้ป่วยนะคะในกลุ่มผู้สูงวัยค่ะคุณฟังพบว่าระยะเวลาในการนอนหลับที่สั้นจนเกินไปหรือว่าการนอนหลับที่ไม่ดีมีผลกระทบต่อสมองนะคะก็คืออาจจะมีเป็นพิษต่อเซลล์ประสาทเมื่อเกิดการสะสมก็จะจับตัวการกลายเป็นคราบพลั q ที่บริเวณเซลล์สมองซึ่งก็เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เป็นโรคอัลไซเมอร์ได้นะคะการค้นพบในครั้งนี้เนี่ยยังช่วยทําให้คนพบวิธีการรักษาโรคอัลไซเมอร์ในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยนะค ะ, คะซึ่งมีอาการนอนไม่หลับนี่แหละหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอคะ่ะถ้าเกิดว่าผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอนะคะปริมาณของเบต้าอะมิโนในเลือดนี่ก็จะลดลงแล้วก็ทําให้อาการที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยลดลงได้เพราะฉะนั้นบางทีโรคอัลไซเมอร์ก็ไม่ต้องพึ่งยาเสมอไปนะคะใช้การวิธี การพักผ่อนนอนหลับก็ทำให้สามารถลดอาการได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะเป็นโรคจิตเวมบางคนแบบเอ๊ะโรคจิตกันเลยเหรอนะคะซึ่งการอดนอนติดต่ อ, อ ก, กันหลายๆวันค่ะคุณผู้ฟังก็จะส่งผลในเรื่องของทางจิตได้อย่างเช่นมีความรู้สึกว่าเอ๊ะหูแ ว, ว่วอ่ะประสาตร้อนเห็นภาพหลอนหรือว่าระแวงว่าคณจะมาทำร้ายแค่ อ, อดนอนนะคะเนี่ยใช่แล้วค่ะหรือมีอาการไข้โรคบโพล่าก็คือเอ๊ะ มี อ, อารมณ์ม ข, ขึ้นล ง, ลงขึ้นแล้วค่ะอาจจะมีการสวิงเนนในเรื่องของอารมณ์บ้างนะค ะ, คะมีอารมณ์ที่แปรปวนหรือว่าอาจจะเสะี่ยงต่อโรคซึมเศร้ามากขึ้นเนื่องจากว่าการอดนอนนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังเขาจะส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนโดยตรงก่อให้เกิดความแปรปวนทางอารมณ์ได้ง่ายมากขึ้นหรือว่าโรคราเริงบางทีก็ซึมเศร้าอัลไซเมอร์แล้วก็ยังล่าเติงได้อยู่หรอคะนั่นเองสิคะโรคนี้บางคนบอกว่าเอ๊ะโรคร่าเริงเป็นอย่างไรแต่ว่าโรคนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นดูอาจจะไม่ร้ายแรงแต่ว่าแฝงไว้ด้วยอัน รายไม่นอ้อยทีเดียวค่ะคุณนุฟังเพรา ะ, ค, ะคนที่เป็นโรคร่าเริงเนี่ยจะดูรู้สึกว่าอ่อนเพลียในช่วงกลางวันหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายแล้วก็ไม่มีสมาธิในการเรียนหรือว่าการทํางานแต่ในช่วงเวลากลางคืนค่ะคุณฟังจะใส่ร่าเริงเหรอคะสมองแล่นมากค่ะ <laughs> สมองจะแล่นมากนะคะคุณนุฟังแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์จะบังเกิดอันนี้นี่อาจจะเป็นในเรื่องของคนที่เป็นอารมณ์ศิลปินนะค ะ, คะแล้วก็จะมีความรู้สึกว่ากระปรี้กระเป๋าอย่างเต็มที่นะคะจนทําให้ร่างกายเนี่ยไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเท่าที่ควรซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยเกิดจาก ผิดปกติที่เกี่ยวกับการหลั่งฮอร์โมนของต่อมไร้ท่อแล้วก็ไปบวกกับพฤติกรรมอดนอนที่ทําให้สะสมจนทําให้เป็นเหมือนว่าร่างกายเนีใช้งานหนักยิ่งกับคนที่ชอบอ่านหนังสือหรือว่าทํางานช่วงแบบที่เราเรียกกันว่าทํางานหามรุ่งหามค่ามําต่อเนื่องกันหลายๆวันเนี่ยซึ่งนาฬิกาชีวิตแล้วก็ระบบการทำงานของร่างกายเนี่ยท่กว่าแปรปรวนไปหมดหล่ะนะคะฉะนั้นหน้าเกิดว่าไม่อยากจะเสี่ยงกับโรคระเริงเนี่ยก็ควรที่จะนอน พักนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก็คือบางคนเนี่ยเขาจะนอนใช้เวลานอนกลางวานันแล้วก็ไปใช้ชีวิตในการทํางานตอนกลางคืน<ข>ใช่แล้วค่ะพวกนักแต่งเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่คร<ช>ัพวกศ<ส>ิลปินนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าเป็นเป็นศิลปินทุกคนเสมอไปแต่ว่าบางทีเนี่ยคนคนที่มีอารมณ์แบบเนี้ยคือเขาจะมีสมาธิในเวลาทํางานกลางคืนเหมือนกับสมองเขาโลดแล่นคิดอะไรก็ออกคิดอะไรก็ดีไปหมดเป็นความคิดสร้างสรรค์ในช่วงเวลากลางคืนแต่ว่าก็จะส่งผลต่อระบบการทํางาน เข็มทิศของร่างกายเหานี้จะเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉันโรคร้ายเหล่านี้ถือเป็นโรคที่แอบแฝงอันตราย อ, อยู่พอสมควรเลยนะคะโรคต่อไปค่ะอัน น, นี้น่ากลัวทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังก็คือโรคใบหน้าเบี้ยวครึ้งซีกซึ่งหรือว่าเราเรียกว่าโรคอามารัมพฤกษ์ที่ซีกใบหน้านั่นเองนะคะ <c oughs> เป็นอาการที่กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนล้าอาจจะเกิดจากทั้งสองข้างหรือด้านเดียวก็ได้นะคะโดยสาเหตุของโรคเนี่ยก็มีการสันนิษฐานกันว่าอาจเกิด อาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัส<ฆ>โดยเฉพาะเชื้อเริมที่เส้นประสาทสมองคู่ที่เจ็ดที่เรียกว่าเส้นประสาทใบหน้าซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการทํางานของกล้ามเนื้อบนใบหน้าแลแ้วถ้าเกิดว่าหากติดเชื้อในส่วนนี้เนี่ยทำให้การทํางานของกล้ามเนื้อบนใบหน้านี้หยุดชะงักลงชั่วคราว<ฆ>ทําให้เกิดความผิดปกติอย่างเฉพลันบนบ น, บนใบหน้าคือบางทีเนี่ยอาจจะเกิดการปักเบี้ยวหรือว่าหลับตาไม่สนิทน่ากลัวทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังนี่นี่แค่การนอนหลับพอผ่อนไวเพียงพอนะคะเนี่ย ได้หลายโรคเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังโรคต่อไปคุณผู้ฟังอาจจะงงๆเนะว่าเอ๊เกี่ยวกันด้วยหรอก็คือโรคมะเรง็งค่ะคุณผู้ฟังซึ่งนักวิจัยเนี่ยเขาตั้งข้อสันนิษฐานไว้เบื้องต้นค่ะคุณผู้ฟังว่าโรคมะเร็งบางชนิดเนี่ยสามารถกำเริบได้หากมีพฤติกรรมการนอนหลับพักผ่อนน้อยอย่างเช่นมะเร็งเต้านมคะมะเร็งลำไส้แต่สําหรับโรคมะเร็งชนิดอื่นๆเนี่ยขึ้นอยู่กับการแบ่งตัวของเซลล์ในร่างกายแล้วก็พฤติกรรมการใช้ชีวิตเห็นไหมคะคุณผู้ฟังลงทีว่า หลายๆโรคนะคือ สิอโรคพี่แมวจากที่เราพูดกันมาทั้งหมดนะคะเกิดจากการที่เรานอนพักผ่อนอไม่เพียงแต่ว่านั่นหมายถึงว่ามันต้องสะสม บ, บ่อยๆนะคะใช่แล้วคะ่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะอาการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพ อ, พ อ, พอนอกจากจะเป็นโรคต่างๆแล้วเนี่ยยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการหน้าแก่ได้ด้วยนะผิวพรรณไม่เปล่งปลั่งมีรอยเหี่ยวย่นนะคะเนื่องว่าเนื่องเนื่องจากว่าการนอนเนี่ยเลือดจะไปสูบฉีดแล้วก็ไปเลี้ยงเส้นเลือดฝอยต่างๆมากขึ้นก็จะทําให้เซลล์ของเราเนี่ยได้รับการซ่อมแซมแล้วก็ได้รับการฟื้นฟู ด้วยตัวของมันเองถ้าเกิดว่าเรานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยก็จะเป็นการขัดขวางกระบวนการรักษาซ่อมแซมตัวเองของเซลล์ผิวหนัง ซึ่งจงจุดจุดนี้แล้วค่ะนะจุดจุดนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็จะส่งผลให้ผิวพรรณได้ดูไม่ผ่องไสนะคะไม่ไม่มีรอยเหี่ยวย่นนะคะไม่มีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะส่งผลต่อสุขภาพด้านอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยควรหับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะอย่างน้อยประมาณหกถึงแปดชั่วโมงต่อวันแล้วก็ให้ออกกำลังากายอย่างน้อยประมาณสัปดาห์ละสามครั้งรวมถึงรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ด้วยค่ะ ไม่น่าเชื่อนะว่าโรคว่าการนอนไม่เพียงพอเนอี่ยทำให้เป็นได้ถึง11โรคค่โรคแล้วก็โรคสุดท้ายก็คือโรคมะเรง็งใช่ค่ะซึ่งคล้าชีวิตเป็นอันดับหนึ่งนะคะคราวนี้มารูกันว่านอนหลับอย่างไรให้มีประสิทธิภาพนะคะ อ, คะอะ่อย่างแรกเลยคุณผู้ฟังเขาบอกให้ฟิกเวลานอนไปเลย ะะการฝึกนอนหลับเวลาเดิมเป็นประจําทุกวันเนี่ยช่วยให้นาฬิกาของร่างกายหรือว่าเมื่อไรถึงเวลาที่ควรจะพักผ่อนก็คือพอฝึกจนชินแล้วเนี่ยเมื่อถึงเวลาก็จะรู้สึกง่วงโดยอัตโนมัตินะค ะ, คะแล้วการนอนแล้วก็ตื่นเวลาเดิมนั้นเนี่ยจะช่วยให้การพักผ่อนมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะก็คือต้องแนะนําก่อนนะคะกรณีที่เราฟิกเวลานอนของตัวเองแล้วนะคะว่านอนได้กี่กี่โมงนะคะจะนอนกี่โมงให้พยายามเคลียร์ทุกอย่างให้เสร็จ ก่อนถึงเวลานอน30 -60 นาทีนะคะพี่แมวไม่ใช่ปุ๊บปั๊บก็นอนเลยนะคะร่ะางกายก็อาจจะยังคิดเรื่องงานค้างอยู่อย่างเงี้ยนะคะคือถ้าเราฟิกเวลานอนว่าเราจะนอนสักห้าทุ่มเราก็สี่ทุ่มอย่างเงี้ยนะคะทำให้เสร็จก่อนบางวันสี่ทุ่มสีทุ่มกว่าก็ทำให้เสร็จเลยเพราะว่าร่างกายจะได้เตรียมพร้อมที่จะพักนะค ะ, คะอย่างเต็มที่เพราะบางครั้งพอถึงเวลานอนก็ใช่ว่าเราจะหลับซะทีเดียวเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะ นอกจากในเรื่องของการฟิกเวลานอนแล้วคุณนุฟางในเรื่องของอาหารก็ถือเป็นเรื่องสำคัญคมื้อเย็นค่ะใครที่แบบชอบยำรสจัดส้มตาต้องจัดต้องจัดะจะบอกว่าอาหารมื้อเย็นเนี่ยให้เลี่ยงอาหารที่เป็นรสจัดนะคะนอกจากจะควรเว้นในเรื่องของมางคลแบบมื้อยินไม่รับประทานแ ล, ะละ้วล่ะนะคะก็ถือเป็นเรื่องดีนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยถ้าเกิดว่า มื้อเย็นเนี่ยไม่ไม่ไม่รับประทานอาหารที่เป็นอาหารรสจัดหรือว่าหลีกเรื่องอาหารรสจัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าอาหารรสจัดเหล่านี้ล่ะค่ะแสบท้องนะคะคุณผู้ฟังจะส่งผลใช่ค่ะ จะส่งผลในเรื่องของอาการปวดแสบท้องของที่อย่างที่น้องทีบอกนะคะรวมไปถึงว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจัดอาหารมื้อนักหนักก่อนนอนเนี่ยอาจจะทําให้เนี่ยอึดอัดแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าไม่ย่อยนั่นเองก็จะทำนอนไม่หลับนอนไม่หลับใช่มันคือเหมือนกับแบบพอนอนแล้วเราก็ไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ก่อนนอนจะดื่มน้ําเยอะแต่แล้ายคนบอกว่าโอ้ต้องดื่มน้ําเยอะๆก่อนนอนแต่ท่นี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นมาฉี่สิคะใช่ค่ะถ้าเกิดการดื่มน้ําเยอะๆเนี่ยบางทีมันทําให้เราต้องลุกเข้าห้องน้ำช่วงเวลากลางดึก ซึ่งมันจะเป็นกระบวนการของเวลานาะคือไปรบกวนเวลานอนแล้วเข้าไปอีกนะคะแทนที่จะได้หลับยาวอย่างต่อเนื่องคืออาจจะนอนสักสี่ทุ่มถึงห้าทุมแล้วก็อาจจะไปเข้าห้องน้ําอีกทีหนึ่งก็คื อ, อได้สักหนึ่งครั้งอ่ะสักประมาณกลางดึกแล้วหลังจากนั้นก็หลับยาวแล้วก็ไปถึงตอนช่วงเช้าเลยแต่บางคนไม่เป็นอย่างนั้นอาจจะ2ชั่วโมงตื่น3ชั่วโมงตื่นเพราะดื่มน้ํามากนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ควรดื่มน้ําให้พอเหมาะหรือบางคนเน่พอดื่มน้ําไปสักประมาณอ่ะดื่มน้ําสักหนึ่งแก้วหลังจากนั้นทิ้งระยะเวลาประมาณครึ อาจจะทำให้การนอนของผูฟังเนี่ยหลับได้ยาวมากขึ้นหรือควรงดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหลังห้าโมงเย็นไปแล้วะนะคะ บ, บางคนก็บอกว่าไม่ได้อ่ะต้องต้องต้องกินกาแ ฟ, าแฟตลอด อาจเราทำให้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลค่ะคุณฟังที่ทําให้นอนไม่หลับนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าบางคนก็ต้องทํางานนะกลางคืนอ่ะเราก็ต้องกินกาแฟไปด้วยก็อาจจะทําให้ความรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะไม่เฉพาะแต่กาแฟนะพี่แมวพวกชาก็มีใช่แล้วค่ะน้ำอัดลมก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็งดการออกกําลังกายหนักๆช่วงหกขํานะคะบางคนก็บอกโอ้โหฉันออกกําลังกายอย่างเต็มที่เต็มที่มากเต็มที่มากนะคะทีนี้ร่างกายค่ะคุณฟังจะตัวใช่ไหมคะจะหลัง สารอะดีนารีนนะคะซึ่งไปกระตุ้นสมองทำให้รู้สึกว่าโอ้ยฉันตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาผลที่ตามมาก็คือเมื่ออาบน้ำไปแล้วนนแทนที่จะร่างกายได้นอนเนะาะสว่างนอนไม่หลั บ, บเหนื่อย <laughs> นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ควรที่จะงดการออกกําลังกายช่วง ห, หนักๆในช่วงหกค่ำ หรือบางคนอาจจะมีตัวช่วยนั่นก็คือใช้อาหารเสริมหรือวิตามินดีช่วยได้นะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีค่ะคุณผู้ฟังที่จะทําให้ช่วยให้นอนหลับได้มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งอาหารเสริมที่มีวิตามินดีอย่างเช่นพวกวิตามินดีสนะคะแต่ทางนี้และทางนั้นเนี่ยควรจะต้องป ร, ปรึกษาคุณหมอหรือว่าเภสัชกรก่อนนะคะก่อนที่จะนํามากินว่าจะต้องมีวิธีกินอย่างไรบ้างกินในปริมาณเท่าไหร่ถึงจำเหมาะสมแล้วก็ในปัจจุบันนี้มีมกักมากมายหลากหลายยี่ห้อนะค ะ, คะที่เป็นวิตามินแล้วก็เป็นอาหารเสริมสําหรับ ทำให้เรานี่นอนหลับได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย หนุ่มๆสาวๆอย่าละเลยในเรื่องของการพักผ่อนนอนหลับนะคะแล้วก็อย่าเอาแต่หักโหมไม่ว่าจะเป็นทาง ห, หมเรื่องของการทํางานในเรื่องของการ<ฆ>ออกกําลังกายมาก er ak, จนเกินไปจนลืมพักผ่อนแล้วก็ลืมชาร์จความสดชื่นให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วถือว่าการที่เราทําอะไรอยู่บนพื้นฐานความพอดีนะ<ฆ> <c oughs> ดีที่สุดค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนอนการออกกําลังกายหรือว่าการใช้ชีวิตก็แล้วแต่คนที่จะทําให้อยู่บนพื้นฐานของความสมดุลของร่างกาย <c oughs> ดีที่สุดค่ะค่ะก็เป็น ท็อกดีๆจากเราทั้งสองคนในเรื่องของสุขภาพนะคะเพรจริงๆเราอาจจะมองข้ามไอแค่นอนน้อยไม่เป็นไรแต่ถ้าฟังเราสองคนในวันนี้จะรู้ว่ามันเสี่ยงหลายโรคพร้อมกับเราแนะวิธีว่าเราจะนอนหลับพักผ่อนเพียงพอด้วยวิธีการใดได้บ้างนะค ะ, คะหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการนะคะกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหมค่ค่ะในทุกๆวันอาทิตย์คะ่ะตีสี่ถึงตีห้านะคะสําหรับวันนี้ดิฉันธีระว ด, ดียิ่งมีค่ะดิฉันนัทนาลีสุขดีค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ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 592-1991 วิทยุราชมังคลณธัญบุรี FM 89.5 เ MHz เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต แต่พิยงหน้าเธอตื่นขึ้นมาก็จะรืมราวที่ผ่านมาไม่อยากจะรบกวนใหเธอมาพบหน้าแต่คิดถึงเธอเพื่อเกินไม่อาจทาใจไี้เลย ก็คุยยิ่งเพื่อนเธอคนหนึ่งก็ได้อยากให้เข้าใจเท่านั้นเองอยู่คนเดียวใช่ไหม บอกว่าหัวใจยังรักเธอวันนั้นวันที่เราจบเป็นวันที่เธอได้พบคนใหม่ฉันต้องยอมทอนใจกับการไม่มีเธออีกต่อไปอ้อเธอสัญญากับฉันว่าเธอนั้นจะไม่มีใครแต่เ You're the only one I'm dealing with.